เรื่องแต่งนวดสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีช่วยกันแต่งหนวดปล่อยหนวดให้ยาวไว้คราวยาวช่วยกันแต่งหนวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมช่วยกันแต่งขนหน้าอกช่วยกันแต่งขนหน้าท้องช่วยกันแต่งหนวดเป็นเขี้ยงงง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 ต้องอาบัตทุกกฏ